ปิดของวันจันทร์ของท่านม้านะคะค่ะท่านฟังคา้างแล้วเราก็ได้ทราบกันไปนะคะว่าการสแสวงหานิพพานนั้นคือการสแสวงหาที่ประเสริฐจากพระสูตรที่ท่านม้าได้นําเอามาอ่านให้กับพวกเราได้ฟังกันท่านมาพบพวกเราทุกวันค่ะพรุ่งนี้ท่านก็จะมาพบกันอีกสําหรับวันนี้ในะมหการของพระคุณท่านนะคะต่อไปเป็นวันอังคารเลยนะคะ